ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวันกอกับขอเป็นเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกันทุกวันมาโรงเรียนพบกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันวันหนึ่งกอเห็นขอก็ยิ้มแย้มเข้าไปทักทายตามปกติแต่ขอหน้าบึง้งไม่ยิ้มด้วยไม่พูดตอบกอจึงโกรธไม่พูดกับขอบ้าง ในกรณีนี้กระบวนธรรมะจะดำเนินไปในรูปต่อไปนี้ข้อหนึ่งอวิชาเมื่อเห็นขอหน้าบึง้งไม่ยิ้มตอบไม่พูดตอบก่อไม่รู้ความจริงว่าเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรและไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจ มีอารมณ์ค้างอะไรมาจากที่อื่นข้อ2สังขารก็จึงคิดนึกปรุงแต่งสร้างภาพในใจไปต่างๆตามพื้นนิสัยตามทัศนคติหรือตามกระแสความคิดที่เคยชินของตนว่าขอจะต้องรู้สึกนึกคิดต่อตนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดความฟุ้งซ่านโกรธมีมาณนะเป็นต้น ตามพื้นกิเลสของตนข้อสวิญญาณจิตของกอมัวไปตามกิเลสที่ฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งเหล่านั้นคอยรับรู้การกระทาและอากาบกิริยาของขอในแง่ในความหมายที่จะมาป้อนความรู้สึกเนื้อคิดที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเหมือนอย่างที่พูดกันว่า ยิ่งนึกก็ยิ่งเห็นยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นสีหน้ากิริยาท่าทางต่างๆของคอดูจะเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งกอไปเสียทั้งนั้นข้อที่สนามรูปความรู้สึกภาพที่คิดภาวะต่างๆของจิตใจสีหน้ากิริยาท่าทางคือทั้งกายและใจทั้งหมดของกอ คล้อยไปด้วยกันในทางที่จะแสดงออกมาเป็นผลรวมคือภาวะอาการของคนโกรธคนปั้นปึงคนงอนเป็นต้นสุดแต่สังขารพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับวิญญาณ น, นั้นข้อที่หสลายตนะอายตนะต่างๆมีตาหูเป็นต้นของกอเฉพาะที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้รับรู้เรื่องราวในกรณีนี้ตื่นตัวพร้อมที่จะทำหน้าที่รับความรู้กันเต็มที่ข้อที่6ผัสสะสัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกต่างๆของขอที่เด่นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นเช่นความบูดบึง้งความกระด้างท่าทางดูหมินไม่ให้เกียรต หรือเยียดศักดิ์ศรีเป็นต้นข้อที่7เวทนารู้สึกไม่สบายใจบีบคั้นใจเจ็บปวดรวดร้าวหรือเหี่ยวแห้งใจข้อที่8ตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาอยากให้ภาพที่บีบคั้นทำให้ไม่สบายใจนั้น ผลหายอันตรธานถูกกดถูกปราบถูกทำลายให้พี่นาฏไปเสียข้อที่9อุปาทานเกิดความยึดถือผูกใจต่อพฤติกรรมของขอว่าเป็นสิ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับตนกระทบต่อตนเป็นคู่กรณีกับตนซึ่งจะต้องจัดการเอากันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อที่สิบพบพฤติกรรมที่สืบเนื่องต่อไปของก่อตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุปาทานเกิดเป็นกระบวนกรพฤติกรรมจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองอุปาทานนั้นคือพฤติกรรมปฏิปักษ์กับขอเป็นกรรมภพภาวะชีวิตทางกายทางใจที่รองรับกระบวนกรพฤติกรรมนั้นก็สอดคล้องกันด้วย คือเป็นภาวะแห่งความเป็นปฏิปักษ์กับขอเป็นอุปาติภ พ, พข้อที่11ชาติกอเข้าสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เป็นปฏิปักษ์นั้นโดยมองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตนกับขอชัดเจนลงไปอยกออกเป็นเราเขามีตัวตนที่จะเข้าไปกระทำ และถูกกระทบกระแทกกับขอข้อที่สิบสองชรามรณะตัวตนที่เกิดขึ้นในภาวะปฏิปักษ์นั้นจะดำรงอยู่และเติบโตขึ้นได้ต้องอาศัยความหมายต่างๆที่พ่วงติดมาเช่นความเก่งความสามารถความมีเกียรติความมีศักดิ์ศรีและความเป็นผู้ชนะเป็นต้น ซึ่งมีภาวะฝ่ายตรงข้ามขัดแย้งอยู่ในตัวคือความด้อยความไร้ค่าไร้เกียรติความแพ้เป็นต้นทันทีที่ตัวตนนั้นเกิดขึ้นก็ต้องถูกคุก ค, คามด้วยภาวะขาดหลักประกันว่าตนจะได้เป็นอย่างที่ต้องการและหากได้เป็นภาวะนั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณค่าอยู่ได้ยาวนานเท่าใดคืออาจไม่ได้เป็นกอ ในฐานะปฏิปักษ์ที่เก่งที่มีศักดิ์ศรีที่ชนะแต่เป็นปฏิปักษ์ที่แพ้ที่อ่อนแอหรือที่ไม่สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและความชนะไว้ได้เป็นต้นความทุกข์ในรูปต่างๆจึงเกิดแทรกอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ทุกข์จากความหวั่นกลัวว่าอาจจะไม่สมหวังความเครียดและกระวนกระวายในการดิ้นรนเพื่อให้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ต้องการ ตลอดจนความผิดหวังหรือแม้สมหวังถึงที่แล้วแต่คุณค่าของมันก็ต้องจืดจางไปจากความชื่นชมความทุกข์ในรูปต่างๆเหล่านี้ปกคลุมห่อหุ้มจิตใจให้หมนมองมืดมัวเป็นปัจจัยแก่อวิชชาที่จะเริ่มต้นวงจรต่อไปอีกนอกจากนั้นทุกเหล่านั้นยังเป็นเหมือนของเสียที่ระบายออกไม่หมด ค้างค้างหมักหมมอยู่ในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปต่างๆทำให้เกิดปัญหาต่อๆไปแก่ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมครั้งต่อๆไปและการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเขาดังในกรณีของกออาจใจไม่สบายขุนมัวไปทั้งวันเรียนหนังสือและใช้ความคิดในวันนั้นทั้งหมดไม่ได้ผลดี ปล่อยให้แสดงกิริยาอาการไม่งามวาจาไม่สุภาพต่อคนอื่นเกิดความขัดแย้งกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเป็นต้นถ้าก่อปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้นวงจรปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นคือก่อเห็นขอไม่ยิ้มตอบไม่ทักตอบแล้วใช้ปัญญาจึงคิดว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจเช่นถูกผู้ปกครองดูมา ไม่มีเงินใช้หรือมีเรื่องกลุ่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ค้างอยู่พอคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตัวจิตใจยังกว้างขวางเป็นอิสระและกลับเกิดความเกาุนารู้สึกสงสารคิดช่วยเหลือขออาจเข้าไปสอบถามปลอบโยนช่วยหาทางแก้ปัญหาหรือให้โอกาสเขาที่จะอยู่สงบเป็นต้น แม้แต่เมื่อวงจรยร้ายเริ่มขึ้นแล้วก็ยังอาจแก้ไขได้เจนวงจรหมุนไปถึงพัรษะได้รับรู้อาการกิริยาที่ไม่น่าพอใจของขอทำให้ก่อเกิดทุกข์บีบคั้นใจขึ้นแล้วแต่ก็มีสติกเกิดขึ้นแทนที่จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของวิภาวตัณหาที่จะตามมาต่อไปก็ตัดวงจรเสียโดยใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงและเกิดความรับรู้อย่างใหม่ เกี่ยวกับการแสดงออกของขอคิดเหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทําของขอและข้อควรปฏิบัติของตนเองจิตใจก็จะหายบีบคั้นขุ่นมัวกลับปลอดโปรง่งและคิดช่วยเหลือแก้ไขทุกข์ของขอได้อีกดังนั้นเมื่อปัญญาหรือวิชาเกิดขึ้นจึงทําให้จิตใจเป็นอิสระไม่เกิดตัวตนขึ้นมาให้ถูกกระทบกระแทก นอกจากจะไม่เกิดปัญหาสร้างทุกข์แก่ตนแล้วยังทำให้เกิดกรุณาที่จะไปช่วยแก้ปัญหาคลายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยตรงข้ามกับอวิชชาซึ่งเป็นตัวชักนาเข้าสู่สังสารวัตรทำให้เกิดตัณหาอุปาทานสร้างตัวตนขึ้นมาจำกัดตัวเองสำหรับให้ถูกกระทบกระแทกเกิดทุกข์เป็นปัญหาแก่ตนเอง และมักขยายทุกข์กอบปัญหาให้แก่ผู้อื่นกว้างขวางออกไปด้วยก่อนจะผ่านตัวอย่างปลีกย่อยนี้ไปเห็นควรย้ำข้อควรระลึกบางอย่างไว้เพื่อให้มองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบด้านมากขึ้นในสถานการณ์จริงวงจรหรือกระบวนธรรมะ ท, ทั้งหมดที่กล่าวถึงในตัวอย่างข้างต้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็วตลอดสายเพียงชั่วแวบเดียวเช่นนักเรียนบางคนทราบข่าวสอบตกคนทราบข่าวการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักหญิงเห็นชายคนรักอยู่กับหญิงอื่นเป็นต้นเสียใจมากตกใจมากอาจเขาอ่อนทรงตัวไม่อยู่อาจร้องกรี๊ดหรืออาจเป็นลมล้มพับไปทันที ยิ่งความยึดติดถือมั่นเทิดค่าให้ราคารุนแรงเท่าใดผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นขอย้ำว่าความเป็นปัจจัยในกระบวนธรรมะนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไปอย่างเรียงลำดับการเช่นชอ็อกกระดานดำพื้นสีดำสะอาดและการเขียนเป็นปัจจัยแห่งตัวหนังสือสีขาวที่มองเห็นบนกระดานดา การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุ่งให้เข้าใจกฎธรรมดาหรือกระบวนธรรมะที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติเป็นสำคัญเพื่อให้มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะต้องแก้ไขส่วนรายละเอียดของการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่เป็นเรื่องของมรรคหรือมัชชิมาปฏิปทาที่จะกล่าวข้างหน้า อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่กล่าวมานี้มุ่งความเข้าใจง่ายเป็นสำคัญบางตอนจึงมีความหมายผิวเผินไม่ให้ความเข้าใจจำแจ้งลึกซึ้งเพียงพอโดยเฉพาะหัวข้อที่ยากๆเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและโสกะปริเทวะทำให้วงจรเริ่มต้นใหม่เป็นต้นตัวอย่างที่ผ่านมาที่แสดงในข้ออวิชชา เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสามัญในทุกช่วงขณะของชีวิตชวนให้เห็นไปได้ว่ามนุษย์ปุถุชนสามารถเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นเลยหรือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอย่างแท้จรงิงจึงเห็นว่าควรอธิบายความหมายลึกซึ้งของบางหัวข้อที่ยากให้ละเอียดชัดเจน ออกไปอีก